ยงเข้าใจเรื่องเรื่องที่เ่วบ่านแว่าตามความที่ที่เคยิมาตลอดเนี่ยที่เคยฟังมาเรื่อยแล้วก็ที่คิดว่าคำว่าคุณุนาในทีนี้เป็นเครื่องผูกรพคือคือคุณน้าแปลว่าเครื่องผูกเนีเป็นเครื่องผูกนันถูกแต่แต่ในชั้นของสูตรท่านกล่าวมุมหนึ่งว่าบอกว่า กามคุณเนี่ยที่เป็นเครื่องผูกเนี่ยถามว่าเพราะมันมีคุณอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงยินดียังเพลิดเพลินท่านขับเน้นตัว น, นั้ น, นพเพราะเพราะเะพราะยังมีคุณจุดนั้นด้วยว่าสาัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีคุณสัตว์ทั้งหลายจะไปยึดติดได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นจะได้ให้สุขเวทนาไงให้สมนัติสเวทนาสาัตว์ทั้งหลายได้จริงๆตรงนั้นแหละแต่เพระบรมศาสดาชี้ว่าไอ้ตัวสุขเวทนานั้นน่ยแท้จริงมันเป็นโทษนั่นเอง แต่สัตว์ตั้งหลายก็ยังไปยึดติดอยู่ไปมองเห็นว่ามันเป็นคุณคือพระบรมศา ส, สดากล่าวพระธรรมเนี่ยไม่ต้องการขัดแย้งไม่ต้องการขัดแย้งกับโลกเขาเนีว่าไม่ใช่สัตว์ที่เพลิดเพลินเนี่ยมันเพลิดเพลินกริจริงอยู่แล้วก็ยินดีสแสวงหาแล้วก็เสพกลามาคุณกันอยู่ในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ยังยินดีเพลิดเพลินรุ่มหลงกันอยู่แล้วก็ให้สุขสมอนาทให้ความสบายใจสบายใจเขาอยู่ใช่ไหมเพราะตัวสมอนาที่เป็นไปกับโลภะมันให้มันให้อยู่ แม้อย่างหนึ่งให้สังเกตดูไหมท่านจะกล่าวปฐมฌานทุติยะฌานตัติยะฌานในนั้นจริงๆเป็นตัวเป็นตัวเวทนานะเวทนาเหล่านั้นก็ให้คุณอยู่ น, นนะไม่ใช่ไม่ให้แต่ถ้าไปติดอยู่ในนั้นเมื่อไหร่นะเป็นโทษทันทีนะถ้าไม่สามารถเดินวิปัสสนาออกจากวัตทุกข์ได้เนะี่ยมันมีคุณมันให้อานิสงส์อยู่นะเช่นไปได้ปฐมฌานเนะี่ยเวทนาที่เกี่ยวข้องในปฐมฌานเขาให้สมบัติอย่างมากมายเลยนะอย่างนี้เป็นต้น เขามีอย no no ู่สมนัตที่ได้แต่ว่ามันน้อยโทษมันน้อยเพราะบรมศาสดาเขาบอกโทษมันน้อยเออขออภัยโทษมันมีมากแต่คนมันมีน้อยเออะมานี้พูดงงๆชอบเลย สมวาคเทที่เกิดจากสัมพของคุณสเมื่อเทียบกับคุณสมแล้ว น, น้อยกว่า น, นะะแล้วในมหาคุ้สมเนี่ยก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับลูกคุณสมที่ปันาบที่ทกมามทยกนการคือคือตรงนี้ดูตรงนี้นิดนึงนะ <c oughs> ในชั้นของคำสอนเนี่ยท่านบอกว่าอะไรเล่าเป็นคุณของเวทนา นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณของเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากการมสงัดจากอากุศลธรรมลามมกบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใดภิกษุสงัดจากการมสงัดจากอากุศลธรรมลามกบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารเกิดแต่ปีติอยู่ในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายตนเองบ้าง ย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายผู้อื่นบ้างย่อมไม่คิดเบียดเบียนทําลายทั้งสองฝ่ายบ้างในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวภิกสุดทั้งหลายเราย่อมกล่าวคุณของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งตรงนี้ที่ท่านกล่าวว่าในปฐมฌานก็มีคุณในทุติยฌานก็มีคุณในตัตยฌานก็มีคุณในจตุทะฌานก็มีคุณแม้ในโลกฌานทั้งหลายก็มีคุณอยู่เวทนาในนั้นเน่ยเวทนานเป็นขันเงยม เป็นตัวกาลมาคุณด้วยเนตัวนั้นน่ยแต่เห็นไหมว่ า, าสัตว์บางจําพวกติดกันอยู่ในนั้นแหะติดในปฐมชาตทุาติยะชาติทีทยาชาตจตัวเทาช า, า, ท า, ชาและลูกประชานอย่างอา阿拉ดาบทและอุตธกาดาบทเนี่ยออกไม่ได้เห็นไหมออกจากเพราะไปเห็นคุณของเวทนาไงไม่ได้เห็นโทษของเวทนาเหมือนพระบรมศ า, าสดาเห็นพระบรมศ า, าสดาบอกว่าจริงๆคุณเนะ่ยเหมือนมากาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มืดบอดเนี่ยด้วยยานปัญญาทั้งหลายเนี่ย ดูเหมือนมากนะเช่นมีอายุแ0 0 0มันหมากับเนี่ยแต่เวทนามนไม่เที่ยนเวทนานเป็นทุกข์เวทนานเป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นหัวผีเป็นลูกสอนพระองค์ก็สอนลล ย, ยาเรื่องโทษเลยเพราะจริงๆในมุมต่างๆเหล่านี้คุณของเวทนาในมุมนี้สัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยเห็นหรอกโดยเฉพววาะในบุคคลาถีนิคนทั้งหลายเหล่านี้จะไม่เห็นว่าเวทนาเหล่านี้มีโทษแต่ว่าบรมศาสตสดาและตราบใดเนี่ย ยังมีกระแสของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ยังเกี่ยวข้องกับเพราะตัวขันห้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นกรามใช่ไหมเป็นกามเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องผูกอย่างที่ว่าเมื่อสักครูนเป็นเครื่องผูกทีนี้เมื่อสักครู่ที่โยมยินการกล่าวมาอันนั้นถูกนะในมุมหนึ่งไม่ใช่ไม่ถูกนะที่พยายามกล่าวในเรื่องของแต่ละมุมแต่ละมุมไปตามลำดับคืออันนั้นอันนั้นก็อีกอีกมุมหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ใช่ใช่ใช่ ใช่ใชกล่าวในรายละเอียดว่าเวทนาในอกุศลเป็นอย่างนี้เวทนาในมหากุศลเป็นอย่างนี้เป็นไปตามลําดับถ้าเรามานึกอย่างนี้นะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการได้สุขโสมนัสในสวรรค์อย่างเงี้ยจะไปบอกไม่มีคุณไม่ได้เพราะเวทนาเขาได้เสวยจริงๆใช่ไหมแล้วเป็นผลบุญนะ่ยสัตว์ทั้งหลายทําบุญก็ได้ผลบุญเนะี่ยแล้วก็ในมหากุศลก็เป็นโสมนัสเวทนาก็มีนะนั่นไงแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมาย ไม่แค่เป้าหมายนี่เป็นตัวกรรมุณครับเมื่อสัตว์ลองไปยึดไปติดอยู่เป็นเครื่องผูกทันทีนะสัตว์บางยังพวกก็ยินดีแค่ทานศีลแล้วก็แค่สมถะภาวนาอย่างเงี้ยไม่สามารถจะเดินออกจากทานศีลภาวนาระดับสมถะได้เป็นต้นก็ไม่สามารถเห็นโทษใช่ไหมเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ไปดึงในไปดึงในคําสอนมาเปรียบเทียบก็จะเห็นโทษของ ของกามเพราะโดยสรุปก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นกลามตาหูจมูกริ้งกายใจก็เป็นกางใช่ไหมถามว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกางเนีส่วนหนึ่งเป็นวัตถุกลามส่วนหนึ่งเป็นกิเลสกางใช่ไหมก็แยกออกเป็น2 ส, ส่วนอย่างเงี้ย น, นั้นเราก็เกี่ยวข้องกับกลามสองส่วนนี่กางเมสุกลามมาสุ ข, ขาริการุโยโคฮิโนคัมโมโปทุชติโกนริโยเนี่ย เป็นของต่ำสามด้วยเนะีใช่ไหมเป็นของคนที่คนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบคนที่ด้อยต่อเหตุผลเน่ยเขาบริโภคกันอยู่ใช่ไหมเหมือนสุกรอย่างเงี้ยฉะนั้นเหมือนสุกรที่จมอยู่ในมูดในคูดก็จะยินดีอยู่ในมูดและคูดแม้ชั้นใดเหมือนสุนักบ้านสุนักกิ้งจอกก็ยินดีแต่ซากศพในป่าชา้าแม้ชั้นใดใช่ไหมเหมือนหมูหนอนชอบที่จะชอนใช้กินซากศพทั้งหลายแม้ชั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เห็นโทษของกามก็จะเป็นกันแบบเนี้ย พากันกระเสือกกระสนดิ้นรนด้วยราคะดำกิสนาก็พากันเข้าไปสู่ในการของที่ไม่สะอาดทั้งหลายก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนกันอยู่นี่คือโทษของกามอย่างนั้นพอจะเห็นชัดนะนี่ในชั้นคาสอนก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพอพอโทษของกามเนี่ยทำไมเราต้องตรึกไครควรกามให้มากหรืโทษของกามให้มากเพราะจะได้เห็นคุณของเนคขมมะเห็นอนิสงค์ของการออกจากกาม การออกจากกา ร, รเนี่ยออกในฐานะออกมาแบบพระก็ได้นะแต่ออกแบบท่านญาสาวกุลบุตรหรือแบบพ่อของยาสาแม่ของญาสะหรือนางวิสาขาวมาวสุอุบาสณถ า, าใช่ไหมก็ได้เห็นอ น, นิสง์การออกจากกา ร, รในการฟังธรรมในขณะนั้นแล้วบรรลุเมื่อบรรลุเบ็เสร็จใช่ไหมใจท่านก็ไม่ค่อยติดข้องในการรมกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ชีวิตของท่านก็ยังมาเกี่ยวข้องกับการบริโภคกามอยู่แต่ท่านมาบริโภคในฐานะพระอริยะบุคคลนะเนี่ ย, ยการฟังธรรมเป้าหมายของคารวะทั้งหลายเนี่ยก็คือต้อง ต้องอบรมจิตเนี่ยบริหารจิตประดับจิตเนี่ยเพื่อจะให้จิตนั้นเข้าถึงความอ่อนโยนสะอาดใช่ไหมลำดับแรกก็ใช้ศีลใช้ใช้ทานใช้ศีลนั่นแหละแล้วเบสเสรก็เห็นอนิสงส์เบสเสรก็เลื่อมไปพิจรารณาตามความเป็นจริงที่พระบรมศา ส, สดาตรัสไว้แล้วนักเข้านเข้ า, าพระศาสดาก็ชี้โทษของกามมากเพียงไรเนคขมะอนิสงส์การถอนใจออกจากกามก็มีมากเพียงนั้นใช่ไหม ก็เห็นอั น, นิี้สงการออกจากกามเบ็ดเสร็จแล้วเมื่อพระาศาสดาเห็นว่าจิตนี้เนี่ยสะอาดและจิตนี้ควรต่อการงานและจิตเหมาะสมต่อการฝึกอย่างดีเบ็ดเสร็จพระาศาสดาก็ประกอบอริยสัตว์ลงในใจของสัตว์นั้นเลยอนุสาสนีปฏิหารของพระาศาสดาก็ประชุมลงในใจสัตว์เพราะพระาศาสดาแสดงธรรมจะดูจิตไปด้วยนะใช่ไหมพราะมีอาเทสนาปฏาิหารว่าจิตมีราคะราคะเบาบางหรือยังโทสะเบาบางหรือยังโมหะเบาบางหรือยั ง, บาบา ง, ยงสัตว์โลกนี้สมควรดิจั ท่านนี้สมควรที่จะรับอริยสัจธรรมที่พระศ า, ศาสดาประกาศวิือยังเนี่ยเมื่อเห็นควรต่อการงานเหมาะสมแล้วเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักแล้วไม่หนักด้วยถีนาะมิทะแล้วไม่แข็งกระด้างด้วยทิฏฐิระมานะเป็นต้นแล้วไม่เร่าร้อนเพราะกิเลสไม่มีโรคคือกิเลสไปร่มกลุ่มรุมแล้วเนี่ยจิตควรต่อการงานพระบรมศาสดา ก, ก็ประชุมอริยาาสัจบรรลุเลยแต่อมาไม่มีความสามารถ <laughs> ก็แสดงตามแนวภาษาสดาให้ฟังได้แต่ถ้าพระธรรมของภาษาสดามีความสามารถนะอ๋อภาษาลีบท์ชำนาญสองปฏิหารเยบอคืออาเทศนาปฏิหารกับอนุสาสนีปฏิหารพระโมคคารนัจะมีแต่ท่านชำนาญคือดักใจกับการให้พระธรรมเทวนาชำนาญมาก แต่พระโมคคัลานะชำนานอิทธิปฏิหารกับอนุสาสนีฉะนั้นท่านจึงทำงานคู่กันตลอดนะรนะับรับลูกกันอยู่ตลอดสองท่านนี้เป็นเป็นซ้ายขวาของพระบรมศาสดาเหมือนกิ่งกิ่งต้นว่าใหญ่ทั้งสองข้างมะนั้นก็กิ่งสองข้างหักเนะี่ยต้นว่าก็เสียความงามไประดับหนึ่งแม้ชั้นใดฉะนั้นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเป็นความงามของสมมาสมโพธิญาณด้วยนะ เป็นความงามของสมาบบธิปัญญาดยวยอาสดมันเลย